ทำทานอันดับต่อไปทำบุญห่งตัวตรงๆหลักษาบบาๆมือซ้ายวางบนตักมือขวทับมือซ้ายตายั้งสติจูลมเข้าลมออกเรียกว่าทำบุญดูบุญไม่ต้องว่าทำถาว่าทำก็ไม่เข้าใจไม่ว่าดูบุญดูใจบุญอยู่ที่ใจสุขสุขอยู่ที่ใจ อาหารใจเตี้ยงใจแดงใจดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเอาตางใจดูให้ชัดชาจับเผือดูลมเข้าลึกๆ ล, ลมออกยาว ไว้ใช่ว่าบาแบงหามดูอะไรรู้คาว่าไปวัดทําบุญในมูนลหลวงปู่มาเยี่ยมถาทําบุญถ้าหลวงปู่ไม่มาทําบุญหลวงปู่ก็ปิดศีลโยมบอกหมู่บอกพวกว่าไปวัดทําบุญถ้าไม่ทําก็ปิดศีลความรับไปมีในโลกทาของกุศลเจ้า โกหกคนอื่นได้โกหกตนเองไม่ได้นะความรับมันมีตัโรคว่าไปทําบุญก็ต้องทําบุญสิเกินมากเอาของมาต่อไว้พระ ว, พะว่าทําบุญพระก็ไม่จําโยมพระก็ไม่พาโยมทำเพราะฉะนั้นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาโยมไปรููพระก็ต้องบอกไม่ต้องไปสวดมากสวดนิดๆแต่น้อยเราก็พานั่งสมาธิก่อนถ่อไหวพัฒนาหานถ้า ไม่ใช่เวลาพระนหารพระก็ไม่มารวมกันโยมก็ไม่มารวมกันให้อบานตอนเช้าก่อนฉันก่อนฉันของอาหารกายยังไงยุ่งไหมไม่รู้ตามมาหมดหรือยังไปรุ่งรุ่งจะเรื่องกายอาหารกายรู้จักไหมในตัวของเรามีกายกับใจกายเป็นของคุณพ่อคุณแม่ดินน้ำลมไฟเกิดแล้วแก่เจ็บตายนี่ก่อนท่าใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ดูไม่เลี้ยง ไม่รักษาวันสุดท้ายเวลาเสียชีวิตได้อะไรไปใจมันตายไม่เป็นทําอะไรปัจจุบันทําบุญก็บุญก็พาไปถ้าไม่ได้ทําบุญมาด้วยบุญอยู่ด้วยบาปขาดทุนแล้วมาด้วยบุญอยู่ด้วยบุ ญ, บญกับบ้านเก่าด้วยบุญเทาใจร่เราพุดเท่ า, า, าไหร่เราพูดแปลวาทำบุญขนของไปพระเกิดที่เล็บในบาส ติดตามจับพ่านยใช่หรอนะือว่ญญาจะนั่งยากให้เข้าใจคาว่าทําบุญเห็นไหมเมื่อก้เห็นใจไหมรู้ใจทุกทุกอยู่ที่ใจสังขารร่างกายมันทุกมันทุกไม่เป็นมันเจ็บไม่เป็นหรอกกิเลสมันไปว่าเฉยๆผู้เก็บคือกิเลสเวลาคนไม่มีใจเป็นยังไงอยู่ในหีบอ่ะถามดูไหมทำไมไม่เห้ นอนอยู่กี่วันแล้วไม่เห็นเจ็บแขงเจ็บขานับแต่ปวดจะเน่าลงไปทุกวันทุกวันหยุดม่นานก็เขาทิ้งทําไมหาเลี้ยงเยอะหาแต่งเยอะหารักษาเยอะแท้ทําไมไม่ฟังคําของพระพุทธเจ้าสังขานไม่เที่ยงเกินแล้วแฉเจ็บตายพูดเฉยๆแต่เห็นไหมล่ะมีเจื้ตายหรือเห็นนะเห็นแฉเจ็บตายต้องทำมัดจสูกนะ อาภายในนุ่เนเหว่าความเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์กความตายเป็นทุกข์แต่คนโลภหาแต่ควสุขมันเป็นสุขได้ยังไงก็โลกของโลกแต่งเทไว้มันก็ทุกข์อย่างนั้นเหระสังขารร่างกายไม่ใช่ของเราของคุณพ่อคุณแม่อยาให้รู้ใจอยากให้มีสติปัญญานั่นเมืองพุทธแท้ทําไมไม่สนอกถึงใจอย่างนี้กรทวงวัฒนธรรมกระทรวงพระพุทธศาสนาก็ตั้งกันมาสองสามกระทรวง แต่และตระวงใช่คนกี่คนเงินหลวงเท่าไหร่เท่าไหร่เวลาพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเอาภาษาหาจนจุดทุกเทียนแห่นะงนมประมาณไปแข่งกันในวัดแต่ว่าตีข้องตีกองเวลาบวชแข่งกันตีของตีกองดบสีตีเปลาะ้องรำทำเพลงถือปวัเหลาเข้าวัดนั่นทำไมไปทำล่ะพิธีกรรมพัฒนักธรรมทไมไม่สอนพิธีกรรมทางพุทธศาสนาอย่าเอาแบบโลกียะเข้าไป ผสมมันจะมืดบอดคนคนใจบอดโลกะคือความมืดคอบงำสัตว์โลกโลกมีอยู่ด้วยความมืดบอดใจบอดมีตาอยู่คนมีตานารกใช่ไหมเห็นอะไรล่ะร่ำรวยนั่นน้ารกสวยงามเม่อคืนวานก็ไม่ใช่พูดอยู่เด้อ พระจีรุประเทไทยวัดจีวัดจี ด, ดูถ้าสอนให้ทําพุญโยมกว่าจะมีสติปัญญาไม่โกงหอกพกลมไม่ปีนป้อนหล อ, อกลวงเอาละลบเปียกคดโกงกันยุ่งไปหมดจะปาโคดรโกงจะปาโคดรโกงผู้พูดเดิ น, นทำก่อนเพื่อนรวมรับไปมีโลโลคเชื่อจุดนี้ถึงหน้าสลรดทางเวทหน้าเสียดายทำคำสอนของคุณเจ้าหามาแทบล้มแทบตายตั้งแต่ทานสีอโศงไขกับกําไรแสนมหากรัม มีอะไรใครจะสู้ พ, พระพุทธเจ้าได้มีลูกมีหลานตุดฐานให้ตีต่อหน้าต่ตาก็จะไม่กล้าต่อรอต่อเสียงกับพามก้มอดทนของพระเจ้าใช่ขันตีอดทนอดเอาออกทำนั้นจะทําชาติของเราธาตุตุดท้ายเราถ้าไปทำารอีกไปตีพามันโนฆ่าพามนัะมะนก็เป็นกรรมต่อไปอีกไม่รู้กี่กับอะไรทีนี้เหลือชาติเดียวจากพระเวยิดันดอนก็จะได้เป็น พ, พระพุทธเจ้าเอาทนเอาทนเรา ทานแต่ไม่ได้ตัดรูนะออกปฏิบัติธรรมอีกปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่ปีสองปีจะได้ตัดตรูหกปนะีเวลาผู้พุทธจ้าตจะจะัดรูเพราะอะไรพระเจ้ารู้ลง ม, มีสัจจะเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องมีสัจ จ, จะโดยเฉพาะเทศกาลเข้าพรรษาฉันจะนั่งทําบุญทุกวันวันละหนึ่งนาะทีพระเจ้าพระสงค์ไม่ไปไหนไาไหน พระเจ้าให้พระภิกษุของตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมไม่ให้เป็นสร้างไปแปลงไปทําอะไรต่างๆนานาให้ดูใจอย่างเดียวมันจะไปอยู่ที่ไหนเกิเลตอะอยู่อะไรพระสงฆ์หน้าที่พระองค์ฆ่าเกิเลตอย่างเดียวไม่ฆ่าอย่างอื่นเรารู้จั ก, กเกลเอตไหะมันไม่รู้ไม่รู้หน้าตากิเลตตรงนี้ามันคื อ, อยังไงเอาตัวใจมาเทียบนะที่ได้บอกเราตีสองข้อ ร่ลำรวยกับสวยงามนั่นตัวกิเลสนั่นมอนรกหม้อใหญ่ต้องคิดในละเอียดเพืจะรู้นะต้องทําบุญเสียก่อนรู้บุญเสียก่อนเพื่จะรู้ว่าบาปคืออะไรเห็นสวรปันเสียก่อนจึืจะเห็นนรกเคยดูไหมสวรปันอาหารใจเคยดูไหมบางคนเคยถามแล้วแต่เกิดมาไม่เคยดูพระก็ไม่เคยบอกสักทีไปว่าโยมมาได้สัมทั้งกระทาง ยูทูบปุกยานถวายนกธารตรวจหน้นาโยมบอกแค่นั้นลองไปดูแต่วัดประเทศไทยจากสิบวัดจะมีกี่วัดบอกทาบุญคนทั่วไก็าพากันหลงอย่างนั้นเพราะไม่ทําบุญไม่มีสามารถทําสมาธิถ้าพูดว่าทานศีลสมาธินั่นครับของพุศลอะไรจะโยมทําอะไรให้ทําทานรักษาศีลภาวนาทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาใครไปวัดไปวัดไปทานศีลภาวนาแต่ได้แต่ทานอย่างเดียวทุกวัน เราไปรับสีนก็บคนเราไม่ไปทูกเทียนเป็นจุดในวัดผิดแล้วยังไม่ได้รับสินกับผิดแล้วทำผิดแล้วเวลาฆ่าสัตว์ตัชีวิตทำบาปทำไมไม่จุดธูปจุดเทียนให้มันหายบาปเวลาไปป้นฆ่าตีทำไมไม่จุดทูอยุดเทียนให้เขาไม่ต้องไปจับเข้าคุกเขาเงินจำหรอกเราไม่ถึงมีปัญญาคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาคิดไปข้างเดียว คำของคุณเจ้าละเอียดฉุก ข, ขุมคำภพรละภาพละเอียดนะแสงเทียนสองตาแสงปัญญาสองใจก็คำนี้มาแปลดูสิถ้าจุดทูปจุดเทียนดูชาดอกไม่เห็นสวรรค์นิพพานของพ่อไม่ต้องบวดหนีไปหาจุดทูกจุดเทีนนี่เอาของเลิกสอบเทียนยังหันมันเป็นตัวอย่างของคนอืินเผาบ้านเผาเมืองเผาบดเมื่อวานคืนน่ะข่าวมาเยอะแลวหดไปกี่ล้าน ค้ามออกคนง่ายประเทศไทยชิจเจตพูดไฟรแฟร์รัดวงจรนะเนี่ยจบไปเลยทราไปหามาเจ้าอาวาสหลวงพ่อใครไปจุดธูปจุดเทียนในโบสถใครเป็นผู้ถือกุญแจเป็นเรื่องเป็นราวเป็นยุ่งเข้าไปอีกแล้วเป็นเรื่องเป็นราวรู้จักว่าภาษาอีสานเป็นกุ้มนี่กินกิหมาดีกู๊ะนะมันต่อยเน่าตอก้มเน่าส ว, ามวมถาวก้มเหนือไปดีแหละตก็ไปตัดก็ง่ายๆนะ มันก็เลยง่ายแบบนั้นนะคนไทยหรืออีกอย่างหนึ่งทำผิดไปแล้วก็เรียบไปยัดเอาไว้นะเอาซองนัหนานะนะไปจัดไว้เจ้าหน้าที่มาตรวจไม่มีอะไรไ ป, ปรวัารัตนงงอมจบอยากให้รากันทำบุญถึงจะมีสติสมาธิปัญญานะขาดตัวเดียวนะคนไทยพักขาดตัวเดียวขาดการทำตามคำสอนของคุณเจ้าได้เห็นได้รูปแล้วไปสอนผู้อื่น ตนได้แล้วจึสอนผู้อื่นเพราะแม่พระทำตามตามคําสอนของคุณเจ้านะที่ได้มาพูดอยู่นี่ไม่ใช่ไปท่องเอาท่องเอามาคนที่ผ่านอย่างนั้นอย่างนี้สวรรค์นันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปท่องอาทุกทรมานบางปีไม่ได้นอนบาวันสาดฉันแต่เข้ากำน้ำเพื่อหาจิตนะตั้นางนั่งเตี้ยปอกวนหลัดกระตูดเห็นตาคุณเจ้าคน ร้อนโอ้หนังเหนียวขนรนเหลือหนังบางสั่งโอ้ได้เป็นพิจนาเขาคงจะคือพระเจ้าคือกันตัวบางที่เจนาเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์พานั่งในป่าในหลงมันทําไม่ได้มันไม่มีสัจจะเข้าป่าเข้าหลงให้พวกช้าตพวกเสือพวกผีเยอะๆมัเอาถ้าทำไม่ได้วันนี้นั่งไม่ได้ตลอดคืนวันนี้ขอให้ผีมันหาข้ออ้ามซะนี่จะหาท่องเราท่องเราเราเป็นสอนโยม จุธุภิายมวายังกระทานยมทุกวันพิจิณีน้อยประทานจุธุภิทยาไม่ได้เป็นประเดนนี่เียาเข้าภาษาไปเฮนทอดตวายเฮียนเข้าภาษาตวายถึงเียนแคนที่ไปวายหนูโล่หเปิดในวัดในว่าพิธีคำทำศาสนาจะเาเรื่องของโลกไปยุ่งถ้าจะไปเล่นแบเอาสนามผุนวนทุ ว, วาสนามผูวา พุทธศาสนาก็จันลงพุทธศาสนวัฒนธรรมชาวพุทธไม่ได้ยินหรือคนทําอะไรบ้างประเทศลาวประเทศพม่าบางคนหลายเขาในซาลาห้ามใส่รองเท้าเข้ า, ข า, ขาวัดเห็นพวกเขาเจ้าปู่ย่มประตูวัดเจ้าเนี่ยง่า ย, ายตัวก็เลยถอดออกแล้วพอถอดไวยพอไปแล้วประเทศจีนก็เหมือนกันไม่ใส่บาถุงไม่ให้ใส่บาตรุ็ ป, ป น, นอันที่ประเทศไทย เยเียย่ายม้าบอกฝ่าก <It> ็ใ <to raise. S 3> สก็การโยมใครเงินพ <Bilder> ่าก hmm. ็ต้องใส่ดิใส่ทำไมไม่เปลี่นมีปัญญาีจับถือใส่กระเป๋าว่แมงเงินเยียาษสมมุติขึ้นมาแล้วมีราคาเท่านั้นเท่านี้เป็นของมีราคาเราไปจับไปต้อมันใช้เกิดจิเล่ตจบ่เกิดจบผ่ากันนั่จับกันมันเกิดจิเล่กัน คือพระจ้ิเความโลภโลภก็ธรรมนังผลิตปัญโถะความโลภไปราชนาแห่งธรรมทั้งหลายไม่มีความรู้เพราะขาดการทําบุญไม่ต้องพูดพูดเท่าไหร่ก็ไม่สินสส้นสุดดอกกัไชัยพี่ดอกไม่สิ้นสุดถ้าพูดคําสอนของพระเจ้าเราขาดการทําบุญไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาน่ะขาดเดียวๆไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาจะรู้อะไรบัญญาชน ไม่ใช่ปุกตุชนคำสอนคอมพิเตอรจริงจะรู้ได้นะต้องใช้ปัญญาชนถ้าแบบทงโรกก็แปภจบก็หาอะไรแล้วยิ่งจะรู้ดีรู้ชัวรถ้าเทียบอายุของพระก็มาบวชก็มาตุกบกิกตแปดยังวัสมบูรณ์ยี่สยี่สิบ เ, เป็ น, นมึงแบบโอ้จบเทศยบชัน้นสิจบผมก็มา ข้าไก่จ้ค่ะไกจาก็้งสมเจ้ค่ะไก่ตัวลวงปูไก่ตัวอัเกีคนมันไก่เพราะอะไรเราทำหลปูแต่วันเลือมันขำเลื่อนสต่อมันเลื่อนโมมี่ะะมาตัววัดได้ตัวจ่าเตือนน้ง่ายจ้าค่ะ่ายโว่นานน่ามันเป็นโรคอ่ากเถอจ่าโอเคจ่ามาแค่กันัน้ามาหาพระแล้เป็นองั้นเลยยีเรศมันกลัวไม่อยากไปใกล้พระไม่อยากไปใกล้บัตา ลองล้ำตเพงดีสีสีเป้าแง่ะกันเขาไปเขาไปดงตัวหาแต่เมื่อเขาเนี่กุมันสัมสอะเออก็ไปได้แบวเขาได้ยังเขาไปตั้งๆก็มึงกูเผากูแค่ได้ก็บอกว่าเผาแกรแล้วนเตัหาครอบงาชักนาให้ใจตำชาเขาใจบ่มัหาวัดจะไปไกลไดึงแงนะเขาไป สอนะจากให้เลือกจัดเรื่องทำบุญไปวัดทำบุญหาทำบุญห ล, ลงังมือกีตคือนั่งดูลมหายใจเข้าออกนั่นแหะบุญอยู่ที่ลมตั้งแต่เกิดมาเคยดูป่ละล่ะเคยดูลมป่ะีิปัสเคยบอกก็เคยไปยวัดเทีเยมป้าปเช่ใส พระบอกให้เลยพระขอมาสบายคุณได้สบายงันหลายพุทธนั่นเองแต่พุทหลายว่าต่นทีพระที่เดียดหลายกับเสียงพระนี้ตีพลวพ่อที่เจ้าไม่ได้สอนให้ไป็นยึดถือของล้อไม่ละให้ถอนให้ปล่อยให้ว่างพูะเจ้าสอนเลยให้หาความมีออกจากใจสําหรับหน้าที่ของนักบวชที่เจ้าชมมาไปทําก็ไดอ้อะไรมันมีอะไรเ เห็นบ่าวมีการมีงานมีข้อมยงมากกว่าท่านพระหงปูมาจากบุญกว่าทั้งท่านเลยหาเรื่องมาไปเรื่องข้าปัญญามันเพราะฉะนั้นทำวาทำบุญ้ามีทาบุญแล้วปัามีการมีงานอยู่เมืองไทยจโจมวรงเทพให้านนี้แต่แนี้ยไอย่าไปทานถึงเวลาแล้วพระต้องทำตามเวลา เวลาไหนก็เวลานั้นแล้วถ้าอยากมาทันก่อนเพื่อนมาก่อนมานอนชั่วปีก็ได้ตัวก็ตีตรงปูวันสําคัญวันขั้นสคัญมากตั้งแต่เมื่อน่ำมื่อหนึ่งก็ได้ตัวถ้าเอาใจใส่สนใจมันทันหมดนั่นแหละมาแต่เรื่องพูดรือค่าตาดอกไม่ถูกเทียงขาจะแตงหนาแตงตาโม่เลี้ยวเลี้ยวทาคอแน่ทาคอยแน่ถามไปตำหนจะาเวรนังยุบปีผมเฉียนเขีว ภาพปศุพภาป่าทัน้นั้นมันก็ไม่ทันอะไรละ่ะเจ้าทําเวรทั้งหลายมันสืบคำมั่นตะพัวมกว่ามันสืบสาคำทา่าถ้าไม่มีพิธีที่ตองอะไรมันก็เรียกง่ายพระเจ้าสอนให้เรียกง่ายแต่คนเราชอบยุ่งได้ยินไหมเป็เรื่องยุ่งยุ่งชอบทาเรื่องง่ายๆดูลมหายใจเข้าออกพระเจ้าจะรู้ดูลมแค่นั้นนะ แต่ไม่ได้จัดตรู่เพราะดูวันหนึ่งสองวันดูหกปีจึงในตรู่นะวันที่พระเจ้าได้ตรู่ดัดตรู่ใครบอกพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าได้ตรู่นะธรรมะที่เกิดขึ้นที่พระพุทธเจ้าตรู่ผิดแปดแตกต่างที่ผ่านมามันอัศจรรย์ในหัวใจมันไม่มันเบาไปหมดแต้กรกนวที่ยังไม่ตรู มันก็นักโน่นนัก น, กนกี่คิดว่าได้สาเร็จแล้วอย่งนี้มันก็ยังข้องใจอยู่พอได้เป็นสุดหายข้องใจนั่นโลกก็มิธูรู้กแก้งโรคมดรู้หม ด, หมดความเป็นอยู่ของโรกอะไรตัางๆทั้งๆมันจะจำรู้จำเพราะตัวนี้คุณเจ้าบอกนะถ้าบอกเท่าไหรก็บอกให้ดูก็ไม่ดูอย่างที่หลวงพ่อบอกดูลมรู้สวรรค์ยังไม่รู้สวรรค์ยัไงบุญเป็นยังไงสวรรค์ใ น, นอกในอกในใจไม่ต้องไปเคาะหาแล้ว พอหาที่ใจนร ก, กไม่ต้องไปขุดหาขุดหาที่หัวใจนรกหัวใจคืออะไรร่ํารวยสวยงามจักรวานตรงไหนลมหายใจเขาออกมีความรักตรงไหนมีความโลภตรงไหนกูเกินยิ่งกวลัวคมสงบไม่มีนั่นคำของพกติเจ้าที่ใจของคนมันสงบไหมพอลืมตาขึ้น ย, ง ย, นดดยังเขารวยทันกับรวยเด็กเก่งงามโอ้ยนั่นคืองามแต่คนนี้คืองามแต่ หาเครื่องมาประดับประดาหาเงินมาเท่าไหร่ก็ไม่พอหัวดีๆ3ามสีสีสีผมทุกวันเล็บมือเล็บเดียวสามสีสีสีตาดีๆก็ไปปลูกไม่ทำให้ตาบวมทุกวันัตอแก็ตีเห็นบวมสิวันนี้เฉลียยว่าไงงามงามงามไลยมือไล่บ้านเธอไหนก็บพอใส่หามาเธอไหนมีเงินเธอไหบ้าอยู่จากประเทศไทยมันทำ ง, งานจากักปีแล้วมเงินจกักลานหนาน ผมมีลงปูฉันหาเงินใช้บ่แมนหาเงินเจ็บอืนหามาแล้วก็เทลี่ยเป็นรักษาเป็นก็พราะมีปัญญาทูตเจ้าให้ปันเอาไว้หนึ่งติดปากมูหางงูสาสองเจ็บไว้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยสามากไว้สำหรับเป็นสมบัติอาหารใจรีจะรับภายใน คือทำทานนี่ปิดปากป ง, งกูเห่าภาษาคือทำไม่ได้ใช่มันบนนั่นงูเห่ามอยู่ น, นี่ปากเหาในใจของเห่านั่นมันเหาฟอกฟอกเออได้เงินมาแล้วทันจะมาแต่งตัเออขัดเงิอยู่นี่กินโอ้จะเห็นนั่นเห็ดนี่นนนจมว่จันต้องหามาปิดอันนี้หา ม, ะะหมาแั่ได้หมดดีก่ดีเป็นน้สันเดีวไปทงอาหารได้หลายเรื่องวันนี้งาติีนองมากับเจบได้หลาย ตอนที่ออกไปเส้นไหนก้อนเด้อเป็นนี่ก้อนเดอ้อไปเอามาขายได้เป็นหนีข้ขอว้อขอใหม่มาว้อเห็นว่าความหล่อคน่ะความปูนแต่งแบบโล่อคนไม่สิ้นสุดนะ <c oughs> ไม่รู้อยากําว่าเพียงพอพอเพียงม <c oughs> ันจะเป็นหนี้เป็นสินบ้านของพวกเรานะ <c oughs> ถ้ารถยนต์ไม่ป้ายแดงไม่เอามานั่ง <c oughs> เป็นหนี้ไม่ว่า คอยีะไล่นั่งปายแดงยี่หอ้อแพงๆมีบ้านก็ไปจำหมดมีที่ไร่ที่นาของพ่อแม่จะทํำม ห, หาเลี้ยงชีพขนาดจำนองจองจําหมดเพราะฉะนั้นอยากให้เน้นหนักอให้ทําบุญนะไม่ต้องไปทําอย่างอื่นหรอกไปวัดไปทําบุญนั่งกาสังรมกายได้กาสังรวมวาจ่ายมีนาสกาเดนะสังควมคิตใจคือดูลมหายใจเข้าออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าประสงค์ให้เน้นหนักจุดตีไม่ต้องไปเท็กเก่งๆจบพระเตยพี่ r เสียแลนั่นแล่นี่ก็ไม่ต้องไปว่าเราขอให้ญาติโยมทําบุญจะได้มีสมาธิจะได้มีปัญญานี่มีคําเดียวนี่ถ้ามีสมาธิก็มีปัญญานัน่นไม่ได้ซื้ออาหารใจเอาน้าพอจะนอาหารเต็มโตข้างล่างบางคนยังก็ตั้ขึ้ น, นมาจะไปหาตำยังพกพวกเกลียก่ีคุ่นบุนั่นถูกไหมล่ะคนเราชอบยุ่ง ใจมันตายไม่เป็นใจทุกดวงประพัฒนตะลังจิตตั้งใจกเกิดมาเป็นมนุษย์อยากพบพุทธศาสะะนาอยากปฏิบัติทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าติดโฉมนุสสัพนิลาโพติดฉังพุทธสมุป ป, ป, ปังติดฉังสัทธธรรมสะสวัณังนะการเดินเป็นมนุษย์ด้านพบพุทธศาสด้านในฟังคำสอนของพระเจ้าได้ครบทุกอย่างแล้วนะพระ เ, เจ้านะสินะทำมาสอนคนเราเป็นคนไหมทำไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้า ถ้าเอาไปเชื่อพระเจ้าม่ห้ามไม่ให้เชื่อครูบาอาจารย์ไม่เชื่อหนังสือตำราไม่ให้เชื่อได้ยินแต่เขาวเราลืมมาไม่ให้เชื่อที่เขาพาทำมาให้เชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อเหตผลพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจทําให้หัวใจของเราเป็นพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธะเป็ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเขาทำถึงนี่ลองลองทําหัวใจให้เราเป็นพระพุทธเจ้าลองดูนะให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานว่าโลกมันเป็นยังไง ก็เบิกบานใจที่ไม่ยึดถือไม่รักไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันก็เบิกบานใจสี่เนี่ยหนักจุดนี้เถอะเราจะพ้อย่างยิ่งพระเจ้าประสงค์มาช่วยกันเผยแผ่วัฒนธรรมคาสอนของพระเจ้าไม่ต้องไปพูดเจียงเพศเจีงหรสขอให้ทำให้ดูถ้าดูก็เห็นก็รู้เหมือนมาวัดตินี่ถ้าใครมาก็รู้ก็เห็นถ้าใครไม่เคยมาไปถามคนที่ไม่เคยมาบอกไม่ถูกไปถามพระไม่เคยไปสวรรค์ไปฟานิพาน บอกถูกไหมเพราะฉะใัน้นเพื่อพระเจ้าที่จเห็นสวรรค์นิพพานหรือไม่เชื่อว่าสวรรค์นิพพานยังอยู่พระเจ้าปรสองอยู่เพื่อทำไมนี่จากคอบจกลัวจากบ้านช่องบางท่านบานงลูกไม่เคยมีครอบกลัวสด้วยยังเสียสละมาเพื่ออะไระตามจิตทุกรวงพระภะพลังจิตตั้ยาจเกิดมาเป็นมนุษย์จาบพวกสตัตระ อย่าปฏิบัติตามคําสอนของผู้เจ้าเพื่อไม่ให้มาเกิดนั่นลงปัฐบาลของผู้เจ้าลงรัฐบาลบานในโลกถึงหายแล้วหายแล้วหายแล้วหายแล้ ว, ย, ลวยังอยู่คือตายตายมาแล้วพบอีกแป๊บเดียวเกิดอีแก่อีกเก็บอีกตายอีกเกิดอีกแก่อีกเ ก, ก, เก็แต่แต่ไม่ไเป็นคนทุกพบทุกชาตินะเปลี่ยนแปลงไปตามภพภูมิที่เราอยู่ปัจจุบันถ้ามีคุณศิลปรธรรมสามารถที่จะเป็นมนุษย์ได้ติดโฉ ม, มนุษย์สิคุณธรรมของมนุษย์ธรรมของมนุษย์ อย่างน้อยที่สุดต้องมีศีลหน้าไม่ใช่าำของคนคนคนคนไปคนมาคนถึงคนคนแล้วจังว่าคนถ้าทําอาหารไม่แลรับประทานนะถ้ายังไม่สุกยังคนเนีนคนเขาเล็กเขาเล็กเขาเล็กนี้คนเราเหมือนกันถ้าไม่มีศีลแล้วทำไม่สมบูรณ์หรืางคนบ้าคนขี้ป่นขี้จี๋ขี้ต้มขี้ตัวขี้หลอกขี้ร่วงขี้เหลาขี้ยาก็ว่าไปที่ เขาไปใส่ให้มีศีลธรรมคนเข้าวัดของในจะนำออกของนอกจะนำเข้าเข้าวัดของโลกโลกจะนำเข้าไปวัดให้พระยุ่งเห็นไหมประเทศไทยททเป็นธบัตรเป็นรถๆทุกวันเ้วก็ตามมาส่งที่วัดอีกไปแก่งกันที่วัดอีกจะเกิดความโลภในวัดอีกน องค์เจ้าทรงอนุญาตให้พระพิจารณาสมไปพิจารณาบาตเอาพอฉันพอพิจารณาบาตรพอฉันแล้วไม่ต้องไปยุ่งพระอีกถ้าไม่ไปทําบุญที่มันอนุญาตให้คือวันศีลมันพระควรไปทําบุญรักษาศีลภาวนาแต่ฉันทําไม่ได้ฉันอยู่ในโรคฉันอดเข้าไม่ได้ศีลแปดรักษาไม่ได้รักษาศีลห้าแล้วขาดอย่างเดียวไม่ขาดอะไรหรอกพูดเท่าไรก็ไม่สิ้นสุดหรอก เราจะใชเวลาคือด้วยวันนี้จะเรียนแต่ทางไกลปกติถ้าคนาไม่ได้ไปไหนมันพวกพูดแน่นอนให้รู้จากคําว่าทําบุญเพราะต้องบนะทำบุญคืออาหารใจอยากให้ดูใจอยากให้แต่งใจอยากให้รักษาใจาใรใจู้จากเหตุนาอันดั้งเดิมว่าอยากมาเกิดเป็นมนุษย์จะพบศาสนาอยากปฏิบัติ ต, ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายน่ะทําได้มีจริงทําจริงเห็นจริงรู้จริง ถ้าทำเล่ น, เลนๆเกงๆเพื่อศาสนาไม่ใช่ตุ๊ ก, กตาที่จะมาทำเล่นเหงื่อไหนเหงื่อตายเงินท่องยู่ฝาป่าเน่ายักษ์ป้าเน่าสับมบัตอยู่ฝาป่าเนาา่ า, น า, า, า, า, นามาผลในผ้ายูฟ่าป้าตายยักษป้าตายเปไรพต้องกลัวตายนั่นะคามตายไปทั้งสิไปได้สวัสดีผ้าถ้าจะห้องติ ต, ตายห้องเป็ น, น, นห้งนี้ยืนไ ป, ไปได้ สิ่งตายไม่มีตายใจมันตายไม่แพนร่องนตั้งๆัี่เอาไปแล้วก็ได้บสบายอยู่สุขถ้าทำวามสุขถ้าเห็นสวรรค์นิพพานปัจจุบันเสียชีวิตก็เห็นเหมือนเดิมถ้าปัจจุบันไม่ดูสวรรค์นิพพาก็ไปแล้วก็ไปไม่ได้เจ้ากรรมมาให้ไปมาจากไหนมาจากเมืองนรรู้จักทำไปสวรรค์ไหมเคยดูไหมเสียงไม่ได้นะมีแต่ใจอย่างเดียวพระพตะลังคิดตังนั่น จะทำในเวนคอยอยู่ประตูนี่ประตูจะไปผัดสวรรค์ไปใหญ่ตรงในบ้านเคยดูไหมไม่เคยดูมาจากไหนเมืองนรกกลับไปเมืองนรกเกิดดีกใจแต่กแกไ่ได้เป็นคนนะตินกลับออกไปเจ้ายล่าเป็นเปลตุลกายจัดเรียฉานไปตุ่มสีตุภาพกปนั่นเพราะเกิดนกข้อพระพุทธศาสนาจังมานจีนมันภาคุาเจ้าสอนให้ไปเราทาไมไม่ไปเราคุณทําอยู่ที่ไหนติน หามาสอนคนเข้าใจไหมหาสีลนะทำมาสอนสัตว์โลกเอาที่ไหนบ้านมันไม่เช่าเข้าไมา่ได้ซื้อบ้าอยู่ที่วัดเห็นไหมขนมาส่งเต็มอยู่มันที่พักก็ไปอยู่ปเปจะได้ได้เสียเงินไหมอาหารไม่ได้ซื้ออยู่แทนมันโลกก็หามาแค่นั้นนะใช่ไหมหามาอยู่เพื่อกินสร้างบ้านสร้างช่องทร้างนัง่นสางนี่ถ้าไม่กเกลียดหนาะปัญญาอยากก็ไปอยากมั่วไปหมดหเวลาพักผ่อนได้ไหมนั่นถ้าไม่มีวันสินนันพระเราไม่มีเลย วิธิยุ่งจังนั้นคนเราชอบยุ่งชอบยุ่งชอบยุ่งวิจาสอนในสบายแต่ไม่ก่อนมีประเทศไทยบรรจิณบรรทัพจุดทำการทางานเข้าวัดสมาธิภาวนาเรียนนาทุุวนเดียวหน่หลานดัชติต้องเลียสละมาแล้วเป็นบุญกุศลกุศลวนี้จงปกป้องกตามคนเดียวหนุ่มหลานดิส้องเี้มีความสุขนงจุกใจจุกใจนะจากทุกโชคลา งานจึงใดกันเงินจึงใดปัตตนาใึงมึงอะไรจงสำเร็จจงสวบร้อยเฉพาะในหลักำำรธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพอตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดวงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสินเห็นธรรมเห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นปณิพานในปัจจุบันในชาตินี่เธอไม่จะถามอะไรว่าจะว่าจะว่าจะถาม I want to ask three things: Who was, who was uh, Jesus Christ, and why? What does it mean that he died on the cross? And did he, can, can he take away bad karma? Thank you. I know. h e asked about the d o c t r he asked t h พระเยซูค mm ือใครครับผมหลวงพ่อไม่ได้ศึกษาเรื่องนั่นหลวงพ่อไม่รู้หลวงพ่อศึกษาแต่พระพุทธศาสนา So he said he, he study only u uh, Buddhism Buddhism he know only Lord Buddha he don't know Jesus Christ สวดศึกษาสอนให้รับสาใจหลวงปู่ฟาทําใจเมื่อกี้นี่ทางสมิ So the Buddhism um, Teach people to looking into their mind, study their own mind, not study anything else. Do uh, To to make your mind calm and peaceful. You will know good or bad when you when you have your mind calm and peaceful and you have some wisdom. You will. Bụn n t h n So we said. Good or bad, it depends on uh, meditation. Breathing in, breathing out. Your breath. So the sin, the, thing, the bad, bad thing is uh, wealthy and uh, beauty. What, what does it mean? It means wealthy. I mean, wealthy means greedy. Uh, be beauty is means uh, lusty. C can you say the, the whole sentence again? So the, that bo both is bad thing. It's bad. What is bad? Greed, greed. Wealth, <laughs> wealth. g e e d greed, greed to w e l And beauty is um, lust and ego. Mm -hmm. What e You e r s t a n d o e o n r g t o n t f o r g t o o n One. e One. o o u n d e r s t a n d Satu. n u n e e One. n e o u n e e One. One. So he he expecting you to to to do more meditation and you want mm to -hmm. understand the Buddhism. h a ือ Said because you are the psychologist, so mm -hmm. you can you can you can tell people to do meditation, look after their mind. s mm o -hmm. So you better study the med meditation, study Buddha teaching. t People have all desire. People have uh, they want to suicide. They want to kill themselves. People greedy. It can be fixed by doing meditation to look into their own mind. คนอยาก่าตัวตายไม่สบายใจคิดถึงพ่อถึงแม่คิดถึงสามีภรรยารักคนน้นไม่ถูกใจคนนี่ไม่ถูกใจเข้ามาตรงนี้หายหมด Also jealousy and jealousy and then love with condition that can be fixed by with meditation because it unconditional unconditional love you can find it f o r meditation เอาให้ไปทำตัวนี้นานๆให้ทำทุกวันทุกวันดูลมทุกวัน เราดูใจแต่งใจรักษาใจนั่นอาหารใจ We a n t you t to, to do food for your mind every day as much as you can. อพรอลบลานิม